وَهُمْ ي َ س ْ ق ُ ر خ ُ و ن َ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا أَخْرِجْنَا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم يتذكر فيه من تذكر وجهك من نذير، فزوق فما ل ِ ل َّ ل ِ مِنَ م ِ ن ص ِ ي ر إِنَّ اللَّهَ ع َ ل ِ ي م غ َ ي ْ ب السَّمَا. อัล ا ل ฮฺที่โลกและแผ่นดินนับหนึ่ง ل นผู้ทรงรู้จักใจของมนุษย์บิช์มิลลาฮ ن อูรราะ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له و م ْ يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإلهك نشور أعوذ ب ك ل م ا ت الله ت ا ل ا مات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو عالم ر ض ي بال ر د بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد رسول الله م إني الل أعوذ بك من الكسل والكبار رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، الله معافني في بدني وعافني في سمي وعافني في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يحيي يقيوم برحمتك أستغثث. อัลลิฮ์ทรงอลลอฮ์ทรงลลอฮ์ทรงอัลลอฮรงอัลาอฮ์ทรงอัลลอฮ์อลฮ์ทรงอัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์ทอัลงอัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์ทรงอัลลอ์ทรงอลลอฮ์ทรงอัทรงอัลอฮงอัลลอฮ์ทร่อัลลอฮ์ทรงอฮ์ทรงอัลลอฮ์ทรงอัลลอฮรอัล์ทอรรัอทรรัรอัลรอทังออทรั ก่อนอื่นพี่น้องต้องนึกถึงอัลลอฮ์ الله, ต้องชุกกต่ออัลลอ์ الله, ต้องขอบคุณอัลลอ์ุภานาอุตาลเยอ ะ, ล ะ, ล ะ, ละแล้วก็ดีใจนะที่เราได้ผ่านเดือนรรมตันมาครบบริบูทขัมดืกแต้องดีใจนะที่เราถือสินอดนเดียว ร, รมตันปีนี้เรามานามาสยิรวมกันไม่ได้เพราะมีโควิด นลมาดกันที่บ้านนะดลิเละหลายคนได้เป็นอิมามดีใจนะทำเดลิเละพี่น้องแต่บรรดาสวามีของท่านนบีเนี่ยเขาเสียใจเพราะว่าเดือนรมดอนเป็นเดือนที่เลาได้ประทานของดีๆเยอะมากในเดือนรมดอนนะครับมีลายเนตกอดดิกอดจากเราไปแล้ว บรรดาสหาบ้างของท่านนาบีเขาว่าสหาบ้างหมายถึงบุคคลที่อยู่ในยุบของท่านนาบีเรียกว่าบรรดาสหายบ้างสาวกท่านนาบีเขาเสียใจนะพอเสียใจเขาก็ขอละให้อัลลอฮ์รับความดีพี่น้องครับสังเกตได้อย่างไงว่าความดีที่เราทําในเดือนอุมอตเนี่ยอัลลอฮ์รับหรือไม่รับ นะครับเรามีขมีข้อสังเกตข้อสังเกตังเกตข้อที่หนึ่งเนี่ยหลังโรมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยหัวใจเราเนี่ยยังอยากจะทำความดีอยากจะอ่านอัลกุรอานอยากจะถือบวชหกอยากจะขอดุบายอยากจะศิกรลุลนลออยากจะบริจา อยากจะทําบุญอยากจะให้อภัยมันยากอยากจะทําความดีหลังกระหม่อมรอนผ่านไปแล้วนะนะไอความอยากต่างๆแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยเนะี่ยแสดงว่าความดีที่เราทําในเดืดอนรม่อมรอนอัลลอฮฺพอใจนี่เป็นอะไรมะนะครับเป็นเครื่องวิญญิฉัยตัวเราเองนะนะอย่าไปมองใครเลยนะตัวเราเองเราเนี่ยดีกว่าเก่าใช่ไหมดีกว่า ก่รรมอมรตนปีที่แล้วใช่ไหมอยากจะมามัสยิดเอาหรอยากจะอ่านกัมภีรอยากจะให้อภัยอยากจะบริจาคอยากจะเรื่องทุกอย่างดีๆๆแสดงว่ารรอัมรตนที่ผ่านมาอาลัลลอฮฺพึงพอใจอลัลลอฮฺรับความดีที่เราทําในเดืรรดอนอัมรตนนี่เป็นอลาลามัตเป็นเครื่องหมายตัวตัวเราเองเหมือนกับพี่น้องที่ไปทําพัชนั่นแหละพอกลับจากมาคามาเนี่ย ว่าอัลลอฮ์เนี่ยรับหัตของเราไมหมฮัตที่เราทำเนี่ยอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับสังเกตว่านิสัยเราเปลี่ยนหรือเปล่ากลับมาจากมะกาได้หกเดือนเจตเดือนิอนนสัยดีขึ้นนิสัยดีขึ้นห้ามนิริละนั่นแหละเป็นของดีให้เราสํารวจดูตัวของเราอิสลามเป็นศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์นะเราไม่ได้คิดเองนะนะงครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องเราเดืนอนอัลลอฮเราก็ไม่ได้หยุดนะแต่เราหยุดวันอะไร วันอีกที่แล้ววันอาทิตย์น ะ, นะครับัมดิๆเลยเราทบทวนกุรธรามมาถึงสุราฟาติศคำว่าฟาติสนี่แปลว่าอะไรนะเนรมิตอัลลอ์สร้างชาญฟ้าสร้างมนุษย์สร้างสปปรรพสิ่งต้น ง, งต้นไม้เนี่ยคือน้องไม่มีแปลนนะอัลลอ์วางแปลนเองอะไรเองหมดเลยอัลลอ์บอกว่า เมื Finally, ่ออาทิตโกนี่ยรผมเคยพูดเคยแนะนำว่าไอไอกระเพาะอาหารเนี่ยของมนุษย์เนี่ยกับสัตว์เนี่ยมันอยู่คล้ายๆกันอยู่ในท้องหมดเลยนะแต่กระเพาะอาหารของกุ้งเนี่ยเอาเลาไม่ได้เอาไว้ในท้องกุ้งนะอว้บนบนหัวบนศส้สะทั่นไครออกแบบนะแล้วก็เวลาคนที่ทานกุ้งต้องนึกนะ ยากกินกระเพ า, มานะมนาะเพราะกระเพานะน่ะมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคแหละฉะนั้นดำๆอะ่ะนั่นดึงออกนะไกันั่งคุยกับคนที่จับจับประมงอะ่ะนะเขาแนะนําไปคฟางโอ้เห็นไหมเป็นความรู้หมดเลยฉะนั้นอร่อยเนี่ยสร้างกุ้งมาเนี่ยแล้วก็ออกแบบกุ้งกระเพาะของกุ้งอยู่บนศีรษะมนุษย์กับสัตว์เนี่ยกระเพาะมันอยู่แต่ท้องๆนั่นแหะแต่ของกุ้งเนี่ยเอาไว้บนศีรษะ นี่ใครออกแบบสวยขนาดนี้ถ้าท้าต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอ سبحانه แะุหฺตะอลนะครับอัลฮัมดุลิลละอาวันนี้มาเรามาถึงสุร่าฟาติดอายะที่สามสิบห้านะครับสุร่าก็สามสิบห้าเหมือนกันอัลลอฮฺทฮัลล์นาดาร์ลูกอมติมฟลิ لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لوب الله أكبر الذي أحلن دار ا ل م ق ا م ة من فضله لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها لوب الحمد لله ข้ لل อพระัมภีร์นี้พี่น้องครับเราะเล่าว่าชีวิตของชาวสวรรค์ชีวิตของชาวสวรรค์นะครับก่อนหน้านี้สองขอพระค์ใช่ไหมว่าชาวสวรรค์นี่เอา ล, ล่อให้สวมกำไรทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะ เอาละให้มีอเมียมีอภรรยใหม่สวนกาไรที่แขนนี่นะครับกําไรที่ทํามาจากอะไรนะมินซาฮาบินมาทํามาจากทองนะครับแล้วก็ว ALI, U, ล U, ัลุลอาแล้วก็กําไรทํา ม, มาจากไขมุกวารีบาซูฮุมอภรรของพวกเขาเหล่านั้นทําด้วยผ้าไหมเห็ <S 2> <S 2> นอย่างครับ ตกลงว่าที่เราใส่อยู่ปัจจุบันนี่นะในสวรรค์ดีกว่านะแต่สวรรค์ดีกว่าทีนี้อัลลอ์ห้ามไม่ให้ผู้ชายเนี่ ย, สยใส่ผ้าไหมบนโลกดุรยางคนี้เราก็เชื่อนะเราเชื่อหมดเลยท า, ทางที่บางคนมีเงินตัางเยอะจะใส่ผ้าไหมก็ได้มั้ยได้แต่ทำไมไม่ใช้อ่ะเพราะเชื่อคำสั่มอัลลอฮ์สุบฮา น, วนาวลฮ์อัละจะนั่งคนที่สใส่ผ้าไหมบนโลกดุรยางคนี้ เขาไม่มีสิทธิ์ใช้ผ้าไหมอีกต่อไปในโลกอาคึเรานี่น บ, บีสอนนะครับทีนี้เสื้อผ้าเนี่ยอาพรเนี่ยย่ามีเยอะบางคนมีตั้งร้อยร้อยตัวไม่กล้าใชา้อันนี้ก็ใช้แล้วครั้งหนึ่งไม่กล้าใชา้พี่น้องอย่ามีเยอะมีสักอวสิบตัว ถ้าได้ตัวที่11มาเนี่ยตัวที่หนึ่งต้องต้องมาไรต้องบริจาคนําใช้ไปโยนทิ้งนะต้องบริจาคต่อไปเนี่ยหลักการที่อัลลอฮ์วางไว้ผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านสุลต่านยังมีเยอะพี่นองรองเท้าก็ยังมีเยอะเพราะว่าภรรยาประธานาธิบดีในโลกเนี่ยเขามีกันเยอะมีทองก็เยอะมีเสื้อผ้าเยอะมากอัลลอฮ์มีอะไรต่อะไรเยอะหมดแต่เขาไม่ได้นึกถึงโลกอาซิร์ ก, กันนะ แต่ท่านนาบีจะเตือนเราตลอดเวลานาบีมีเสื้อนะครับบางทีก็มีเสื้อรอยรอยปะถ้านไซนาอุมัรรดรอดุยลลอ์อั น, นเป็นคอลีฟ้านาบีก็มีเสื้อรอยปะด้วยวันที่วันที่ท่านคอลีฟ้าอุมัดเสียชีวิตนะมีทรัพย์สินดูสีรายการนะ น, นั่นเป็นพัฒนาทิบดีนะเป็นคนะอลีฟ้านาะยใหญ่ที่สุดนะโปกครองโอ้โหเต็มไปหมดแต่ทําไมไม่ไม่มีเงินทองเยอะเพราะอะไร เพราะเขากลัววันเกลียมาเขากลัวถูกสอบงเอาเงินมาจากไหนเอาไปทำอะไรเอาเงินมาจากไหนเอาไปทำอะไรถทศนายมออกมาเช็คทรัพย์สินแล้ว ม, มีอยู่สรายการหนึ่งมีแท่อยู่อันหนึ่งสองมีบ้านอยู่หลังหนึ่งทำด้วยหิดดินทาด้วยดินจะทำด้วยทองก็ได้เงินเยอะ แต่บ้านคอลิฟ้านะทำด้วยทองเพื่อต้องทำด้วยเนินทำด้วยด้วยดินเนี่ยต้องการจะให้พวกเรานึกรอทำไมเขาไม่ไม่มีเงินเยอะเป็นคอลิฟ้ามาส2สองปีไม่มีเงินนะก็ะมาดูรัฐบาล ท, ทั่วไปในโลกเลยนะมีเงินเราเป็นแค่สองปีสปีเงินไม่รู้กี่พันล้านนะนะอันนั้นเราเรามงว่ามุสลิม เขาบริหารประเทศกันอย่างไรนะสัเตดูอย่างนี้ก็แล้วกันนะมีบ้านอยู่หนักหลังหนึ่งมีเสื้ออยู่สามสี่ตัวบางตัวมีรอยปะมีแสอยู่อันหนึ่งแสเนี่ยเอาไว้ทาอะไรเอาไว้ปลุกคนนำมาซุปเปไม่ใช่ไปฟาดคนเคาะประตูแล้วก็ข้อที่สี่มีอะไรนะมีล่ออยู่ตัวหนึ่งเอาไว้ขีเยี่ยมประชาชน มีสีรายการไสนาอุมัดเอาความรู้เนี่ยทำไมไม่ไม่มีทรัพย์สมบัติเยอะๆแหละพี่น้องเพราะเขาเรียนเห็นท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นนบีนบีมีทรัพย์สินอะไรบ้างไม่มีเลย อ, ะอย่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมถ้าเข้าใจอิสลามถ้าเข้าใจสุนนะนบีเขาจะไม่มีทรัพย์สินเยอะเขาจะให้ประชาชนอยู่สบายเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเอาไปเขาบริหารเขาปกครองนะครับ อ่ะทีนี้เล่าถึงว่าชีวิตในสวนสวรรค์เนี่ยมีอะไรนะสวมกำไรทำด้วยทองทำด้วยไข่มุกแล้วก็อาภร์ของพวกเขาเสื้อผ้าของพวกเขาทำด้วยผ้าไหมแล้วก็พอทอนเข้าสวรรค์กล่าวว่าไงอัลฮัมดุลิ ล, ลขอบคุณอัลลอ์ที่เรากล่าวอัลฮัมดุลิลาเนี่ยภาษานี่เอาไปใช้ในสวรรค์อีก กะว่าไงานะอัลฮัลลอฮอัลฮาบอันนัลฮะซันอัลลอได้ขจัดความเศร้าโศกเสียใจออกจากตัวของฉันแล้วในอายาอื่นอธิบายว่าก่อนเข้าสวรรค์อัลลอฮฺเอาความโมโ oh หดึงออกหมดเลยนะความโมโ oh หความโกรธความเครียดความแค้นกระทั้นผู้ชายคนมีพระยาหลายคนในสวรรค์ไม่ทะเลาะกันแต่บนบนบ น, บนดุนยาเนี่ยอัลลอไม่ อ, ออกให้ อ, ออกเอง เอาความโมโหเอาออกเอาความแค้นเอาออกเอาความอิจฉาเอาออกเอาออกได้ยังไงอ่ะเอาออกด้วยอีมานถ้าอีมานไม่มีเอาออกไม่ได้ยิ่งไม่เรียนศาสนาไม่เรียนกูนอ่านไม่เรียนเรื่องอีมานเอาความโมโหความโกรธความอิจฉาผูกพยาบาทในใจเอาออกไม่เป็นครับจะยกเว้นคนที่มีอีมานเท่านั้นเอง แต่ Allah เล่าแล้วก็บปอุานฉันดึงเอาออกเองวันละนามาฟีกุลูบิมมินกลินในสุรอื่นอายาอื่นเน่เราจะดึงออกทั้งหมดเลยจากจากจากหัวใจของเขาฉะนั้นเขานั่งคุยกันพย า, าก็นั่งกายกายกันหลายๆคนไม่ทะเลาะกันไม่อิจฉากันนะครับทำมดยลิลานี่ภาพของชาวสวรรค์ น, นะครับต่อมาครับอัลลอีอาฮัลลาน อัลฮัลลาแปลว่าพักอยู่อลัลลอฮให้พักอยู่ให้อาศัยอยู่ตุลงว่าในสวรรค์นี้นะครับอลัลลอฮจะให้คนที่เป็นมุมลินผู้สรัธาต่ออลัลลอฮนะครับให้พักอยู่ในดาร์ลูมุกมาดารแปลว่าบ้านมุกมาแปลว่า ที่ยั่งยืนมุ่กรมาที่มีไปตลอดไปเลยไม่มีวันหมดอายุเพื่อต้องการจะอธิบายให้รู้ว่าโลกดุนยากับโลกอาคือร่ไม่เหมือนกันโลกดุนยาใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีวันหมดอายุตัวเราเองรอรอตายพยาเรารอตายลูกเรารอตายบ้านเรารอพังรถรอพัง ไม่มีอะไรบนโลกดุนยาเป็ น, นี้ถาววรครแต่ในสวรรค์ครับดารลุกอมาที่อยู่อาศัยที่อยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุเรียกว่าย่งยืนยืนยาวทำไปแล้์สบายใจมหมอาชีวิตในสวรรค์สวรรค์อยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุนะครับต่อมาครับมิมฟาบลิฮี เนื่องด้วยความโปรดปรานของ Allah. อัลลอ์อ่านี่อัลลอ์ก็โปรดปรานนะคนอยู่บนดุญยาโปรดปรานให้ตายขอบคุณอัลลอ์แต่ในสวรรค์นี่อยู่แล้วตายหรือไม่ตายตายไหมไม่ตายแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮ์อยู่ไปตลอดแล้วก็อายุเท่าไหร่นบีอิสานอายุเท่าไหร่สามสบสาม ตอนยกขึ้นไปบนชานฟ้าน่ะเราเท่ากับนบีอีสาแล้วก็ความความสูงเท่ากับนบีอะไรอาดัมหกสอกครับหล่อสางาโศลหลอหน้าดูแล้วก็ความหลอมแบบนบีอะไรนบียุสุฟมะเลยอิสลามแล้วก็พูดจ่าไพโระคนในสวรรค์นะสวิต ท, ทั้งลิ้นหลล่อพู้จ่าแบบนบีอะไรที่อ่านคัมภี์ตาร้อนแล้วลุกบินบินไม่ออกเนี่ย บิดาวูตอันเลฮิสซลัมเห็นไหมพี่น้องเห็นอย่างกับเอาสิฟัตนบีหกคนเอาไปไว้ในตัวของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่อยู่ในสวรรค์และอักษรกแบบนบีมุฮัมมัดสอลตานอุสัลลัมแล้วก็หัวใจที่นิ่มนวลแบบนบีที่อยู่ในท้องปลาน่นบียูนุสอันเลฮิสซาลัมเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเอาลักษณะเด่นๆของนบีหกท่าน ไปรู้ว่าอยู่ในตัวคนคนเดียวถ้าเขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอังลลอฮฺสุบฮานะอลัลกุตาลสบาใจนะอัลฮัมดุลิลละี่นโนงหลายคอัลฮัมดุลิลละอัลลัลอัฮัลลัลาณะรอลมุกอมาทิมฟาตุลพูดใูดดทรงให้เขาได้พำนักอยู่ในสถานที่อันยั่งยืน เนื่องด้วยความโปรดปรานของ Allah อัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แวะ تعالى เอาต่อไปรครับลายมัสูนาฟีนะนาซอบนาซอบเนี่แปลว่าเหนื่อยนาซาบุนแปลว่าเหนื่อยอยู่ในสวรรค์พี่น้องครับอยู่ในสวรรค์ลายมัสูนาไม่สัมผัสไม่แตะ แล้วก็ไม่แผวผ่านไม่สัมผัสความเหนื่อยไม่สัมผัสคนชาวสวรรค์คนในสวรรค์ไม่เหนื่อยครับคนอยู่บนดุงดาไปนี้เนี่ยเหนื่อยครับพี่น้องเดินมาเนี่ยจากบ้านของท่านมาฟังตบสีท่าน ถ, ถาว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยลุขึ้นนมาตะฮะยศเหนื่อยไหมเหนื่อยถือสิธธ่งอดเดเดียวระมาดอเหนื่อยไหมเหนื่อยลุขึ้นนมา ตระเวเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยหมดอยู่บนดุนยานี่เหนื่อยหมดแต่ตรงกันข้ามถ้าอยู่ในสวรรค์ลาอัมมัตซุนาฟีฮานอสบความเหน็ดเหนื่อยจะไม่แผ่วผ่านคนที่อยู่ในสวรรค์อัลลอฮฺอักบัดแต่มันอยู่บนดุนยานี่เหนื่อยหมดพี่น้องนมาตหัจยุตก่อนเหนื่อยถือบวชก่อนเหนื่อยเดินไปทำพิธีขึ้นเคงบินไปก่อนเหนื่อยเหนื่อยหมด วเวลาเหนื่อยทำไงวเวลาเหนือ่อยแล้วก็นอนตํานอนแต่ในสวรรค์นอนได้ไม่นอนไม่นอนแล้วเพราะนาบดีพูดว่าการนอนเนี่ยมันเป็นน้องชายของความตาย <c oughs> ทำไปเลยแล้วนี่เป็นความรู้นะเราได้สบายใจอัลลอฮฺในสวรรค์ไม่มีนอนไม่มีเหนื่อยทําอะไรก็ไม่เหนื่อยร่วนหลับนอนกับภรยาก็เหนื่อยนะ กวาดบ้านเหนื่อยไหมเหนื่อยทําอะไรเหนื่อยหมดเดินก็เหนื่อยแต่เดินของมุมินมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เหนื่อยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์จะทําอะไรก็ตามถือเป็นความดีไปน้องออกเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอเท่านที่เขาด่ามาแล้วเหนื่อยใจใช่ไหมไอความเหนื่อยใจมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ไปอยู่ในสวรรค์ในเรื่องเหนื่อยแบบนี้ไม่มีอีกต่อไป เรื่องนอนพักผ่อนให้หายเหนื่อยมีไหมไม่มีครับห้องโดยลิล่ะในกุรอานอายาัยฉริยนิเป็นหลักฐานเลยนะลายะมาซูนาฟีฮานัสลาบุนเน็ดเหนื่อยไม่มีต่อมาครับวะยามาซูนาฟีฮารูบลูบเนี่ยแปลว่าลูบเนี่ยแปลว่าอะไรนะพี่น้อง เพลียอ่าลูกุแปลว่าเพลียไม่มีคําว่าเพลียไม่มีคําว่าเหนื่อยเวลาเหนื่อยแล้วมันก็ต้องเพลียใช่ไหมมานินสัยคนทั่วไปนี่นะเวลาเหนื่อยแล้วก็มันก็แย่เพลียพอเพลียมันก็ต้องพักพอพักก็ต้องนอนแต่ในสวรรค์มีไหมเหนื่อยไม่มีเพลียไม่มีอัลฮัมดุลิลละทำงานไม่เหนื่อยอัลลอฮ์ทำได้เลยแต่บนดุนยานี่ทํางานเหนื่อย ข็่จักรยานมาเหนื่อยเช็ดมัสยิดเหนื่อยเข้าห้องน้ําก็เหนื่อยแต่ตรงกันข้ามในสวรรค์คาว่าเหนื่อยมีไหมไม่มีเพลียมีไหมไม่มีครับเพลียว่าไงลหลูบุญมาจากอะไรนะลักบุญลหลูบุญนี่เป็นภาษาอุรานนะท่องศัพท์บ้างลหลูบุญเอาไปท่องซะดารุลมาคอมาเอาไปท่องด้วย นาสวบุญความเหน็ดเหนื่อยอัลลอฮฺอักบารมุมินอยู่บนดวงดาเน็ตเหนื่อยมีรางวัลแต่คนกาเฟตมีไหมไม่มีครับเห็น ไ, ไหมอัลลอฮฺอักบารฉะนั้นนะ่ะคนที่เดินมามัสยิดมานมาดเนี่ยนะรางวัลมีครับรางวัลมีครับถือบวดมีรางวัลเปล่ามีครับเห็มั้ยคนมุมินนอนก็มีรางวัล แต่คนกาเฟตตรงกันข้าไม่มีรางวัลเลยเห็นไหมอยาม่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไหนะร่นะสามสิบสามสิบหกอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺทำอ่ดีเลวันละทีนักฟารูห์ละฮุมนาอูจัดนัมลาอูคุฎอัลัยฮิม ولا ف, ف َ ي َ م ُ و ت ُ و َ ل َ ا يُخَفَّفُ ع َ ن ْ ه ُ م مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ الحمد لله وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذالك نجزي كل كفور الله أكبر الحمد لله อัลลอฮ์เนี่เป็นธรรมนะเขาเล่าเรื่องความสุขในสวรรค์ให้ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อ่านแล้วสบายใจให้นบีเล่าให้นบีฟัง ให้นบี ม, มาสอนสหบัตแลราสอนพวกเราวันนี้ว่าอยู่ในสวรรค์เหนื่อยไม่มีเพลียไม่มีนะอ้าว ก, ก็มามาเล่าเรื่องอะไรครับเรื่องคนที่ถอดยศต่อไปเป็นความเป็นธรรมเลยนะเล่าเรื่องสวรรค์ก่อนมุมินอยู่ในสวรรค์มาดูคนกาเฟสเป็นไงครับวัลลีนากาฟารูบรรดาผู้ที่ ปฏิเสธกาฟารูปฏิเสธพี่น้องนึกเองปฏิเสธนีหนึ่งปฏิเสธลูกอนอิมานหข้อปฏิเสธหลักการอิสลามอีกกี่ข้อห้าข้อไม่ให้อภัยใครโกรธตบแก่แค้นใช่ไหมคนหนังมันสอนเนี่ยดูหนังจีนก็รู้เรื่องแก่แค้นตลอดใช่ไหมแต่มาดูนบีเนี่ยไปเผยแผ่ อ, อิสลาม ถูกดา่าถูกรำแก่ถูกรุนถูกนี้น บ, บีเคยแก้แค้แนไหมเคยหรือไม่เคยนั่นแหละตัวอย่างของเราตัวอย่างของผู้ศรัทธาต่อเลาะไม่แก้แค้นใครครับพี่น้องไอ้มาพี่น้องพอแก้แค้นแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อย <c oughs> อัลฮัมดุลิลลาฮอาต่อมาครับวัล ล, ลรราีนากาฟารูเลบันดาส่วนบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาหลอกอักวั ไม่ศรัทธาต่อหลักปณีมานไม่ศรัทธาต่อหลักปณิสลามห้าข้อไม่ศรัทธาว่ามุฮัมมัดเป็นรสลของอัลลอฮ์ไม่ศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกใบนี้ฉันไม่เชื่อและอย่างหนึง่งฉันก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นและแฉันก็ไม่เชื่อว่ามีรางวัลตอบแท น, นจากอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์ฉันไม่เชื่อหมดเห็นไหมพี่น้องเนี่ยคาว่ากาฟรูเนี่ปฏิเสธหมดทุกอย่างเลยนะ ปฏิเสธอย่างเดียวเอาล้อยยังพอจะอนุโลมให้แต่ปฏิเสธแล้วมาเย่อหยิ่งจองหอมเมื่อไรนะโรคโควิดนี่มาเพราะคนกาเฟ่มุสลิมเอานิสัยคนกาเฟ่มาใช้อยู่บนดุนยาใบนี้นะครับฉะนั้นมันต้องเอานิสัยของใครอัคลาของนบีมาใช้เอาอัคราของสัฮาบานาบีทั้งหมดเนี่ยมาใช้แต่วันนี้ที่โรคโควิดมันมาเนี่ยเตือนคนตะการบด เองเลิกทำกา บ, บทได้แล้วเจ็ดพันล้านนี่กลัวกันหมดเลยนะค <c oughs> าฟาูอัลลัสารนะครับพีกคุณ อ, อาริยาเรียนแบบคนกาเฟตอย่าปฏิบัตินิสัยของคนกาเฟตมูนาฟิกพูดหลายอายาดด้ยวยกันเนตือนบ่อยๆนะเตือนบ่อยๆทีนี้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธนะสำหรับเขาเป็นยังไงครับลาหุม นารุจฮันนำนาศแปลว่าอะไรไฟท่องสอ์นี่ให้จำจะฮันนำเนี่เป็นชื่อนรกอัลลอฮ์นาศแปลว่าชื่อของนรกสังเกตนะนรกมมีอยู่เจ็ดขุมนะคำว่าจะฮันนำเนี่นะเบาที่สุดนะต้องการจะเตือนมุสลิมถามว่าไอ้ว่าจะฮันนำเนี่ยนรกขังมุสลิม ที่ที่อีมานต่ออัลลอ์แต่ปฏิบัติศาสนาไม่ครบเข้าใจนะเป็นมุมินแต่บวชไม่ครบเป็นมุมินเป็นมุสลิมแต่นมาสดไม่ครบเป็นมุมินทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองเป็นมุสลิมทะเลาะตัดขายกับญาติพี่น้องตัวเองเป็นมุสลิมที่ตบหน้าภรรยาตัวเองไม่เลี้ยงดูภรรยาตัวเองเอานิสัยคุณกาเฟสมาใช่งนะ่ะ เอาในสายฟาโรมาชายเอาหินทุ่มเมียตัวเองทําไมเพราะเมียเป็นมุสลิมอีอมานต่อใครอิมานต่ออัลลอฮฺผ่านนาบีมูซาอัลกษ์สลามฟาโรไม่ย อ, อมใช่ไหมแล้วก็อไอรามรวยแบบกอรูนี่มารวยแล้วตะ ก, กบดรวยแล้วเยอะยิงจองหองแล้วคุยภาษาแต่ละคํานั้นอัลลอฮฺไม่เกี่ยว ฉันเีรวยเพราะสติปัญญาความรู้ภูมิปัญญาของฉันเองเห็น ไ, ไหมภาษานี้ต่างหากที่เราเ ล, ล่าให้แผ่นดินสูบมาเห็น ไ, ไหมฉะนั้นคนมุมินกับคนกาเฟสนิสัยไม่เหมือนกันวันนี้คนคาคนกาเฟสนะครับมุมินเอานิสัยคนกาเฟสมาใชา้เพราะอยู่ด้วยกันเนี่ยใช่ไหมอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงซุนนะอับบีเท่าไหร่เท่าไหร่นะนึกถึงเรียนแบบนังไง นี่พี่น้องสังเกตนะโรคโควิดมาเนี่ตายเยอะนะไม่ใช่ตายเพราะโรคนะตายเพราะฆ่าตัวตายแล้วเขาสงสารนะครับเพราะเขาไม่มีทางออกสําหรับชีวิตมุมินมีทางออกไหมมีทางออกครับเอาต่อมาครับวันละีนากาฟรูละฮุมนาโรจานนำส่วนบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาสําหรับพวกเขาคือไฟนรก เป็นการลงโทษ อ, อธิบายอีกนิดหนึ่งเป็นการลงโทษนะครับเอาต่อมาครับลายุกโดอาลัยหิมจะไม่ถูกทำให้พวกเขาตายลายุกโดอาลัยหิมแปลว่าจะไม่ถูกทำให้เด็ดขาดแก่พวกเขาคาว่าเด็ดขาดหมายถึงตายอยู่ในนรกนี่นะไม่ตาย ถามว่าตายกับไม่ตายเนี่ยพอเข้านรกแล้วนี่นะไม่ตายนะอยู่ไปอยู่ในนรกอยู่ในไฟนะอยู่ไม่ตายนะอ่ะถามว่าไม่ตายกับตายเนี่ยตอนนี้ถามคนคนอยู่บนดุนยาเนี่ยกลัวตายหมดใช่ไหมนะ่ะคนดีกว่ากลัวตายคนเลวกว่ากลัวตายจะไปรู้อีกทีนึงว่าพออยู่ในนรกเนี่ยตายดีกว่า พอตายแล้วมันไม่ถูกทรมานตายแล้วจบอยู่บนดุงยานี่ยก็ไม่กันเราน่ยกลัวตายนะทั้งๆที่ความตายเนี่ยเป็นรักมากนะอะยังถูกทรมานเนี่ยถูกทรมานถูกทรมานถูทรมานแล้วไม่ตายเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่ดีพราถูกทรมานแล้วตายเนี่ยมันก็จบเนี่ยโอ้ใช่ไหมล่ะเราเนี่ก็ติดติดนิสัยนบนโลกดุงยาจะจะเอาไปชาในโลกอาก เราอไม่ใช่เองห ม, ห, ม ห, มหมดหมดหมดหมดเวลาแล้วอยู่บนดุญญานีใครลำบากอย่างเต็มที่ก็แค่ตายพอตายแล้วก็กจบแต่ว่าอาซาบไม่ไ ม, ไม่หลังตายมีนะวิญญาณถูกลงโทษจากอัลลอ์เองอย่างกฟารโรเนี่ยวิญญาณฟาโรไม่ตายศพฟาโร่อัลลอ์เก็บเอาไว้ไม่ให้เน่าเนี่ยถูกลงโทษเชา้ากับเย็นนะสอมือนะต่ ก, กูลานนะ ตอนเยนทีถูกลงโทษทีตอนตะวันขึ้นทีถูกลงโทษทีเพราะอะไรครับต้องการจะเล่าให้คนมุสลินฟังในกัมภีร์อุษอ่านต่อมาครับลายุกบออะไรฮิมจะไม่ถูกทําให้เด็ดขาดแต่พวกเขาถูกไหมคําว่าเด็ดขาดหมายถึงกบอุคดอหมายถึงตายนั่นแหละจะไม่ทําให้เขาตาย ฟายาโมตูที่พวกเขาจะตายพอตายแล้วเนี่ยมันมั น, มนทรมานมันไม่มีไงใช่ไหมนะแต่มันไม่ตายฟายาูตูนะครับพวกเขาจะไม่ทำให้ตายลาลายาูตูเขาจะไม่ถูกทำให้ตายด้วยรอเห็นยังครับ พอไม่อยู่ในนรกไม่ตายถูกทรมานไม่ตายก็ทรมานใช่ไหมละ่ะทรมานหนากักไหมหนักมากครับโอ้โหแบบหนาวอุบิลลาะ์ illah, ขออนุญาโตอรออยากตกนรกเลยนะที่น่องนะฟายามูตูนะครับลายุกดาลายิมฟายามูตูนะครับคือจะตายก็ไม่ตา ย, นะายากุอาณาัาอื่นมีอย่างสุรสับเบฮิสน์ อะไรนะจำได้เป่ายะยะวะลายะมู <laughs> <c oughs> <ala> อะไรอะลืมไปแล้วนะอะนะันตายก็ไม่ตายเป็นก็ไม่เป็นอยู่ในนรกเนี่ยทรมานนะตอนนี้อันนี้เตือนเลยนะไม่มีความตายในนรกอยู่ไปตลอดเลยครับต่อมาครับเวลายุคฟ้าฟูอันหุม ขอ้อ ฟ, ฟ้าเนี่ยแปลว่าผ่อนปลนลดย่นไม่ลดไม่ย่นไม่ผ่อนไม่ปลนไม่ลดเห็นไหมไม่เบาตัลงว่าการลงโทษในนรกเลยนะไม่มีการลดย่นไม่มีการผ่อนปลนหนักตลอดหนักค่อยๆขึ้นค่อยๆหนักค่อยๆหนักค่อยๆหนักอย่างหนังเนี่ยนะหนังของชาวนรกเนี่ยหนาก็ประมาณ กรุงเทพเชียงใหม่อเดินหนาไวปนะทําไมต้องหนาจะได้ชิมการลงโทษให้สาสมอย่างกังงูกัดหรือมดกัดมแมลงปล่อยกัดพี่น้องมันกัดแล้วมันก็นนกค่อยๆเลื่อนเทือนน้อยน้อยนอยนอยอยติดทรมานครับพี่น้องนื้ออล่าล่าในคาเฟ่กเพื่อให้มุบงมิงได้เลิกทําความชั่วแล้วก็หันมานอบน้อมถอมตนต่ออัลลอฮฺต่อมาครับ เวลายูครอฟ้ฟ้านหุมมินอาซาบิฮะจากการลงโทษของมันอัลลอฮฺอักบัรนณอะครับจะไม่ถูกลดยอนแก่พวกเขาถูกทรมานไปตลอดกาลาลิกานาจารีคุลกะฟูในธรรมนองเดียวกันกาลาลิกในธรรมนองนั้นแหละนาจารีเราตอบแทน คุณละกฟบผู้ทูตเนรคุณทุกคนคุณที่ในรคุณอัลลอฮ์นรคุณดานะบีมุฮัมมัดดานซุนนะนบีมุฮัมมัดนะครับแล้วก็ทรยศต่อคำสั่งของนบีตายแล้วไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นแล้วก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วถูกให้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์ไม่เชื่อนะนี่แหละเาเรียกว่าคนที่ทรยศ อัลลอฮฺสั่วาอยาตัดขาดกับญาติพี่น้องตัดขาดกับญาติพี่น้องให้นมาถ้เวลาฉันไม่นามาถเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ฉะนั้นคนที่เอาอารมณ์ตัวเองเป็นอย่างเรียกว่าคนกัฟูดคนที่ทรยศกุลและกัฟูดทุกคนที่ทรยศที่ในระคุณนั้นเราจะตอบแทนอย่างเดียวกันอันห้ำอยู่เลยทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยครับห้ำเลยดีแล้วนี่สบาจาจใช่ไหม อ่านอ่านกูอานเทนอายาในเตือเรานะทอมตนตับอัลลอฮ์ดีกว่าเชื่ออัลลอฮ์เถอะพยายามเรียนว่าซุนนะนบีสามในปฏิบัติอะไรพยายามเรียนพยายามเรียนก็เพศึกษาไปค่อยศึกษาไปทีละขั้นละขั้นละขั้นละขั้นเอาต่อมาครับอายาที่เทไนะสามสิบหกสามสิบเจถึง37มสิเอลลอฮ์ก็เล่าอีกเรื่องคนในนรกเนี่ย อยู่ในนรกเนี่ยไม่ไม่ ไ, มไรนะไม่ลดไม่ยอนไม่พรไม่ป้นถูกทรมานต่อตลอดไปวะฮุมยัสตอริคูนฟีฮาอาลัลลอฮ์ภาษานี่แรงมากครับบายัสตอริคูนฟีฮารับบะนาอัคริจนาน้ำมัล صالحا غير الذي كنا ن ع م ل ُ أو لم ن ع م ر ك م ما يتذكر في من تذكر و جاءكم ا ل ن ذ ي ر فلو فما ل ق ا لمن ي من نصير الله أكبر وَهُمْ ي َ س ْ ت ر خ ُ و ن َ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَ ل ْ ص َ ا ل ِ ح ً ا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ ن ُ ع َ م ِّ ر ك ُ م مَا يَتَذَكَّرُ فِي م َ ن ت َ ذ َ ك َّ ر ว่าจะ accumulate ฟาจุคุฟามาลิอัลลิมีน่ามินอศิร์ الحمد لله ا a ل, ل ه أكبر ฮูดูสับว่าหุ่มยัสตอริคูลหุ่มแปลว่าเขาเหล่านั้นหมายถึงคนกาเฟตยัสตอริคูลพวกเขาอยู่ในนรกน่ะ ฟีฮาในนรกยักสตอริคูลแปลว่าตะโกนตะโกนพี่น้องเคยได้ยินบนดุนยาใช่ไหมคนตะโกนฉะนั้นอยู่ในนรกเนี่ยเงียบไม่มีมีแต่ตะโกนตะโกนโว้โอ้โวรทรมานนะเราอยู่กันพันคนตะโกนทั้งพันคนน่ะ แสบหูไหมล่ะคนนี้ก็ตะโกนคนนี้กะตะ็ตะโกนตะโกนกันหมดเลยนะ่ะทำไมเพรทรมานนะ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยถูกทรมานอีกอลอยเป็นน้องตะโกนอีกถ้าล้านคนอยู่ในนรกกะตะโกนกันทั้งล้านคนนะ่ะแสบหูใช่ ไ, ไม่แสบหูนึกภาพเองก็แล้วกันหัวุวมยักตอรืนี้เป็เรื่องจริงทั้งหมดอลองเล่าให้ฟังชีวิตในนรกพวกเขาจะตะโกนกับด้วยเสียงดังๆ ต่อมาครับพูดเอกไม่ตะโกนอย่างเดียวพูดว่าไงรบบนาเพิ่งจะไปเรียกอัลลอ์ว่ารบบานาตอนอยู่บนดุญยาเนี่ยอัลลอฮ์ Allah ไม่มีพอไปเข้านะรกปับ๊บรบบนาล่ะมาทำไมล่ะโอ้ผู้อิบาลของเราเออฉันยอมรับว่าอัลลอ์มีจริงรตอนอยู่บนดุญยาเนี่ยอัลลอ์อักบัส ดาอัลลอฮ์มีอยู่คนหนึ่งนักเกิรน mm. เมืองตายไปแล้วนะถ้าสิบองค์อัลลอ์อ่าเห็นไหมล่ะมีอยู่คนหนึ่งนะเราไม่เอ่ยเชื่อใครนะสิบองค์อัลลอ์ก็ช่วยไม่ได้โอ้โหนักกัรนเมืองนะาเมืองไทยรบบนานี่ประยอมรับว่าอัลลอ์นะเป็นพระผู้อภิบาลของเราอัคริจนาโปรดให้เราออก อลัลลอฮ์เห็นอย่งครับโปรดนําเราออกไปนี่ตะโกนด้เสียงนี้หรือเปล่านะโอ้อลัลลอฮ์นำให้เราออกไปได้ทรงโปรดนําเราออกโปรดนําเราออ ก, ออกพูดอย่างนี้แหละโปรดนําเราออกจากนรกน้อยตะโกนด้วยพูดด้วยพี่น้องนึกภาพนึกภาพ เลาเล่าภาษาเพราะมากนะอัคริจนาอัลลอฮ์นักนาอมัลสุลิันเราออกไปเราจะทำการงานที่ดีตะโกนอยากจะทำงานดีอยู่บนดุนยาใบนี้ตะโกนเองเป็นมุสลิมสร้างความแตกแยกมุสลิมอะไรนะเป็นพวกอะไรก่อการไม่ดี <laughs> วันนั้นน่ะอยากจะทํางานน้มันสอนหฮันอยากจะทําอามันที่สอนแหลตอนอยู่บนทุนยาเนี่ยดามุมินว่าเองเป็นผู้ก่อการไม่ดีเป็นอย่างครับภาพตรงกันหมดเลยนะเป็นอย่างอัลลอฮฺบอกกลัวนะถ้าไม่อ่านไม่กลัวนะถ้าได้ศัพทตีละคมติละคมอัลลอฮฺหน้มันสอนหฮั่น เราจะทำการงานที่ดีร้รัลลาีกุนนะอามัลอลลออันอื่นจากที่เราไม่ได้กระทำมาก่อน <c oughs> เราจะทำความดีงานที่เราไม่ได้กระทำตอนอยู่บนโลกดุลยาไม่ใช่ทำอย่างเดียวด่าเขาอีกนะมุสลิมมีผู้ก่อการได้ นามาสุยุดลมเข้าก้นภาษานี่มันได้ยินผมตะ ม, อ ม, มบ่อยๆนานะของเคสเนี่ยก็มีเสียงอะไรอะ่ะ เ, เสียงนู่นเสียงนี่ไ็นไมเสียงร้องของลาบ้างก็รออะไรตาำหนิเสียงอาจารย์ถูกตำหนิมาหมดแล้วไงจนกระทั่งบางประเทศให้ลดเสียงอาจารย์ยังไมมีเสียงอาจารย์พอโรคโควิดมาอาจารย์ได้แล้วในยุโรปอาจารย์ ทำไมพี่น้องสังเกตนะเรา อ, อะไรไม่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแบนี้ท่า น, นอาญาในเตือนนะร บ, บนาอาคิตนิตะโกนะให้โปรดได้ทรงโปรดนําเราออกไปนะครับนามัลซอเลหันเราจะทําการงานที่ดีร้อยรัลลีคุณนามันอันอื่นจากที่เราได้กระทำมาก่อนเราไม่ได้กระทำมาก่อนอย่างมาก่อนเราด่าเขาเยอะนะ แต่วันนี้ต้องการจะทำความดีแล้วเหมือนบรรดาผู้มุสมินเขาทำกันคนะือน้องตะโกนนะอาตะโกนแบบนี้เอลาลลอให้หรือไม่ให้รู้เองไม่ให้ไม่ให้นะอะต่อมาครับอัลลอฮ์ตอบในกทีอีอกุรอานอัวาลามนูอามิรุกุมอัลลอ์ตรงนี้ต่างหากเนี่ยแสบ อาวลัลามวามมิรุกุมเนี่ยอัลลอฮฺตัดว่าเราไม่ได้ให้อายุของสู่เจ้ายืนยาวดอกหรือแสบม่นได้ไม่แสบเราไม่ได้ไม่ได้ให้อายุของคุณเนี่ยยืนยาวดอกหรืออ้าวถ้าจะยุคสมัยนบีนู่นนบีอาตนพวกอาสมตนอายุพันปี สมัยน บ, บีอาดัมให้อายุมาพันปีเองทรยศตั้งพันปีมาสมัยน บ, บีมุฮัมมัดลดอายุให้เหลือเท่าไหรห0สบกับเจดสแล้วก็ให้เมีมีไล่ตุลกอ ด, ดรีเท่ากับ8ปสมปีเถ้าพบกอ ด, ดรีหนึ่งครั้งเนี่ยถ้าพบสิบปีเท่าไรแ0ดรอปีเท่าคนยุคนู้นเหมือนกันในแง่ของอามันติซอเลว นี่เลเราถามอวลาดมโนอัมมิรุกุมเราไม่ได้ให้อายุของสู่เจ้ายืนยาวดอกหรือตกลงว่าอายุหกสิบปีเจ็ดเจ็ดสิบปีนี่ไม่สํานึกตัวไม่สํานึกอายุเจ็ดสิบปีหกสิบปีเนี่ยเาลาถามมนกรุรอานฉันไม่ได้ให้อายุขึ้นยืนยาวดอกหรืออาศัยฮะดีษ นี่นบีสอนนะอายุของอุมมะของนบีมุฮัมมัดเท่าไรหกสิปีถึงเจดสิปีสูงสุดอาจจะมี90ิหรุอร้อยก็มีแต่น้อยอายุเจสปีเนี่ยคิดจะได้ไม่ออกเลยทำไมคิดออกดังดายอย่างเดียวด่ะดานาบีดาอิสลามดามุฮัมมัดดาคุรานดาสุนานะานาบี ดามุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ว่าเป็นผู้ก่อการไม่ดีเองด่าได้จะไม่คิดเองไม่เป็นบ้างหรือว่าของดีๆไม่มีเลยหรืออิสลา ม, มนะี่ะอวลาดอา ม, ม, มิลกุมภาษาดีมากนะอัลลออักบัรเราไม่ได้ให้อายุ ข, ของสูเจ้ายืนยาวดอกหรืออัลลออักบัรเอาต่อมาครับมายะตาักกะฟีิมันตาจักกะ ตะซักการอนี่แปลว่าพูดรำลึกชายปัญญาพวกคุณนะ่ะอายุตั้งเจ็ดสิบปีนะ่ะไม่เคยชายปัญญาไม่เคยตึกตองชายปัญญาบังนึกโอ้ตกลงว่ามนุษย์นี่นะห0สิปีเจ็ดเจ็ดสบปีนี่นะถ้าจะคิด คิดทำอะไรนะสามารถทำสำเร็จแล้วนะใช่หรือไม่ใช่อังจะเป็นคนดีก็เป็นคนดีได้ไหมได้จะเป็นคนชั่วก็ได้ไหมได้จะเป็นนักเลงได้หมดเลยนะจะเป็นอะไรก็ได้หมดนะ่ะอายุไข่ของเกาหกสิบปีเจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดสิบปีนะ่ะโอ้โหที่น้องสังเกตด้วยเดอตอนตอนตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่เป็นทาตุนะใช่ไหมใช่เป็นทาตลูกด้วยนะอายุวะ า, าตมาแรงไปนะ ดูแลลูกอย่างน้อยกี่ขวบครับสิบขวบบริการหมดเลยนะอาหารอาหารการกินทั้งเสือ้อทั้งผ้าที่นอนดูแลหมดเลยอะ่ะแต่ต่อมาก็บบรรลุนิติภาวะแล้วคุณได้กอคิดอะไรบ้างขนาดลูกทรยศต่อพ่อแม่ชาว บ, บ้านก็ยังไม่เอาเลยนะเอลอแล้วก็นี่ทรยศต่อพระผู้สร้างเองอะ่ะหนักขนาดไหน นำสุบิลลาฮิมิซัลิกต่อมาครับมายะตาซักการุมาจะตาซักกัดไม่ได้ไข่ไม่ได้ใข่ใ ค, รครวรมัครครนตาซักการะผู้ที่ไข่ควรผู้ที่ใคคช้ปัญญาตุลงว่าการมีชีวิตอยู่อยู่บนดุนยาใบนี้อัลลอให้ปัญญามาที่ว่าเลิศ ด, ดีกว่าสปปรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ อะไรรูมไหมปัญญาแพะแกะอัวควายปัญญาไม่มีแต่มนุษย์เนี่ยที่อัลลอว่าเป็นอัชรอฟิลมาคลูกอดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะปัญญาเพราะสติปัญญาแต่มีสติปัญญาแล้วนะครับไม่เคยใชย้ไม่เชยวิเคราะห์ไม่เคยตึกตรองไม่เคยใช้ความคิดเอจะเอาตัวเองรอดเนี่ยทำยังไงทำไม่เป็น อัลลอฮต้องการตําหนิประการจะบอกอมุสลิมที่อ่านคุณอ่านว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้มนุษย์มาน่ยประเสริฐกว่าสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะตาลักษัตรเพราะใจตองเพราะใช้ปัญญาอัลลอฮ์อักบัดพี่น้องคิดสินะเดือนอัมรัดที่ผ่านมานาบีพูดย่าไงรู้ไหมคนมุมินเดือนมอมรอดเนี่ยเขาดีใจสองเวลาดีใจตอนละสินอด กับดีใจตอนไปพบ ก, กับอัลลอ์เอ๊ะจริงอผมก็ถามดเด็กๆที่บ้านอ่ะเนี่ยที่ท่านนาบีพูดว่าดีใจตอนละาส้โอดนะดีใจอะไรบางคนก็ตอบวนะ่าดีใจเพราะเห็นอาหารบนมะทำอาหารอร่อยมมอินทาลามมนของนวางอยู่บนโอ้ยดีใจดีใจแบบนั้นก็ถูกหรือไม่ถูก ไม่ถูกครับดีใจที่เราถือส้นอดครกตลอดทั้งวันอัลฮัมจูดีลดีใจที่ระหว่างที่ถือส้นอดไม่ได้ทะเลาะกับใครดีใจที่เราไม่ได้ด่าใครดีใจที่เราไม่ได้อะไรนะอะไรนะเรานำหมายครบห้าเวลาดีใจที่เราอ่านกุณอ่านถือส้นอดด้วยอ่านกุณอ่านด้วยถือส้นอดด้วยบริจาคด้วย ถือสนอดด้วยทำบุญด้วยดีใจเพราะเราทำความดีไม่ใช่ดีใจเพราะเห็นอาหารอาลัลลอฮ์หลายรายการอันนั้นก็นดีใจก็เล็กๆหน่อยนอยแต่ดีใจจริงๆเราได้ปฏิบัติตัวของเราควบคุมมารยาเราเอาลัลลอ์ตามฮิญาตนาบีสอนทุกรายการแล้วก็ดีใจอีกอย่างหนึ่งก่อนไปพบอะไรพบอลัลลอ์ต้องตายก่อนนะฟื้นขึ้นมานะ่ะ ไปยืนอยู่ตออหน้ารอโน้นอีกกี่ปีท่านยังครับในอิสลามสแสดงว่าตายแล้วเนี่ยมันเรื่องเล็กน้อยสถาบันอิสลามนะครับทุกคนต้องตายหมดตายแล้วต้องฟื้นอีกอ่ะจะรอเอาแบบเอาต่อมาครับอวลาโมอา ม, มิรุกุมฐานนี้มาได้อายุของพวกท่านเนี่ยยืนยาวนะผู้ที่ไข้ครวนจะได้รำลึก ผู้ที่ไข้ควรจะใจล้ำลึกนะครับเอาต่อมาครับว่าจะาก g g r นาีวัฏนี้ต่างหากสำคัญว่าจะาก g g r e วาจะ a น, นาีนาีแปลว่าผู้ตักเตือนจอา a ม g r ได้มีได้มี และได้มีผู้ตักเตือนเพื่อสอนบ้างไหมอ า, อาล้อเนี่ยให้คุณมีชีวิตตั้งห0สิบปีเจ็ดเจดสิบปีและยังไม่พอนะอาล้อเล่าอีกนะฉันส่งผู้ตักเตือนมามาอยู่กับคุณอีกระหว่างอายุเจสปีเนี่ยส่งผู้ตักเตือน คำว่านาฎมีสามความหมายหนึ่งบรรดานาบีอลัลลอฮ์สงบรรดานาบีมาเป็นผู้ตักเตือนไม่ใช่ไม่ใช่ทรงนาบีมาอย่างพวกเราพูดนะมาสร้างความแตกแยกไม่ใช่หนักไม่ไม่ใช่นะฉะทันซุนนะหนาบีไม่ใช่สร้างความแตกแยก สุน나นาบีมาเตือนให้คุณได้หันไปใช้สุนนนาบีอัลลอฮ์านกาักะพีกอนอ่านนะครับวาจาอักุมุลนาซีฟได้ส่งผู้ตักเตือนมาหาพวกท่านแล้วหนึ่งสองหนึ่งบรรดานาบีสองตัวแทนของบรรดานาบีใครรู้บ้างนึกเองได้ไหมตัวแทนานาบีมีใคร อุลมามะผู้รู้ศาสนาทุกยุคทุกสมัยมีผู้รู้บนเลยใช่หรือไม่ใช่เชนี่ยอย่าดูถูกนะอย่าดูถูกนบีอย่าดูถูกตัวแทนนบีนะเพราะตัวแทนนบีรับมรดกเป็นความรู้จากท่านนาบีมาเขาถูกเขาทํางานศาสนาเขาถูกด่านะถูกดา่าเห็นไหมเนี่ยเราถามคำพิพ า, านฉันทรง ผู้เตือนผู้ตักเตือนมานะ่ะหนึ่งส่งนบีมาสองส่งตัวแทนนบีมาเรียกว่าอะไร น, นะอาเลมอลมาแล้วก็อีกความหมายหนึ่งนะครับพี่น้องท่านอิบนุอับบาสลุงท่านนาบีแล้วก็ยังมีอีกหลายลท่านอักรีมาอิมามจาฟาร์บินบากิดภาษาอุดุวบุราเปบุราเปกิสุฟัดสุเฟตบัด ผมงอกบนศรีรษะนี่ก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นพูดเตือนผมงอกบนศรีรษ ะ, สะแสดงว่าเองแก่แล้วนี่เป็นข้อเตือนใช่ไหมหนึ่งส่งนบีมาเป็นผู้ตักเตือนเอานบีไม่มีวลีนบีตายแล้วจะหมดแล้วใช่ไหมล่ะใครมาทําหน้าที่แทนนบีบันดาอาเลมอัลลมาสอง บนหัวท่านเลยเองให้มีผมงอกเกิดขึ้นในลาเป็นข้อเตือนไปพูดตักเตือนคุณนะเองแก่แล้วเว้ยสํานึกตัวได้แล้วตาบ้าตัวได้แล้วนาะมายครบหรือยังนี่ไอ้มาอับบีสอนผมงออโลบรรดานับีที่มาในโลกนี้เป็นผู้ตักเตือนตัวแทนของบรรดานาบับีอาลมอลมโอัละห์ทั่วโลกนะครับเพื่อกรารทำงานศาสนาเป็นตัวแทนของนับบีไอ้มาพี่น้อง เป็นผู้ตักเตือนเรื่องที่สามผมงอกบนศรีรษะอุรมะถ้าถืออธิบายอย่างนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนการเป็นข้อเตือนน่ะเป็นผู้เตือนคนหนาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บโดยป่ว ย, วยไม่ได้ข้อคิดอะไรเลยนะ่ะส่วนโรคโควิดมานี่ก็เป็นข้อเตือนใจเหมือนกันนะ่ะเป็นผู้ตักเตือนนะให้มีนูน่นมีนี่เนะี่ยโอโ้โหเรายังไม่ตายเหรอไม่ลนะ่ะ นี่เป็นข้อเป็นผู้ตักเตือนเป็นข้อเตือนใจให้เราได้สํานึกโอ้ฉะนั้นปัญญาที่เราให้มาเนี่ยมันต้องนึกเอ้เรานี่นึกวิเคราะห์เป็นหรือเปล่าเพราะอ่านคุรอานก็วิเคราะห์เป็นเพราะยึดตามสุนทร น, นะบีวิเคราะห์มาเลยแค่ผมงอบนศีรษะตรงไต้ข้อคิดนะอย่างนี้เป็นต้นเลยผลลงว่าดีได้ไม่ดี Allah ว่าจะคุมุนอาหริษและ Allah ได้ไรนะได้ให้ผู้ตักเตือน Allah เพื่อมาสอนอาอาหริษาผู้ตักเตือนนะมีอยู่สามสามอย่างนะสามหรือสี่ก็ได้หนึ่งนบีท้านาบีไม่มีบรรดาอุลามาเป็นตัวแทนนบีข้อที่สามผมงอกแล้วก็ อย่างอื่นอีกคันเจ็บการตายความยากความจนแล้วก็ตามต่น่าเป็นข้อเตือนใจทั้งหมดเลยต่อมาครับฟาลูค ค, คนี่อลลอดเล่าในกพียุณอ่านนะคนในนรกเนี่ยที่ตกนรกเนี่ยเพราะส่งนบีมาแล้วไม่เอานาบีส่งอลมะมาปฏิเสธนบีดาบรรพุอเลมอัลมะว่าเองนะเอาซูน่ามาสอนสร้างความแตกแยกใช่หรือไม่ใช่ ร อ, ลอแล้วก็จริงไหมจริงนะอ๋อบาต่อมาครับฟารูกูจงอะไรจงชิมจงชิมจงชิมอ๋อภาษาเนี่เยเยอะเยอะหรือเปล่าไม่ทราบชิมชิมการลงโทษไปเถอะตะโกนอยากจะออกมาทำอามันติซอแล้ว ตะโกรวบตายอาลัลลอ์ให้ไหมไม่ให้อลัลลอ์กลับพูดว่าอายุคุณนะ่ะตอนอยู่บนดุนยาเจปี80 ป, 80ปียังไม่พออีกเหรอัอลลอห์อักบัดแสบได่ไหมแสบแล้วก็ให้ผู้ตักเตือนมาคุณก็จะไปด่าเขาอีกอลัลลอ์เห็นอย่างเห็นอย่างครับฉะนั้นฟารูกูจมชิมการลงโทษต่ตอไปต่อมาครับ ฟามาเลโกลิมินามินนาซีสำหรับผู้ประพฤติโรเลมมาแปลว่าไม่มีสําหรับผู้ประพฤติชอบเนี่ยสำหรับผู้เรื่อปร ะ, ประพฤติผิดนั้นอ่ะไม่มีนาซีรุนผู้ช่วยเหลือไม่มีผู้ช่วยเหลือเมียช่วยไม่ได้ลูกช่วยไม่ได้นะครับ อะไรก็ตามแต่ที่ท่านเคารพกันอยู่บูชากันอยู่นะรูปจเวีตช่วยไม่ได้เลยนะครับโตตะเกียรช่วยไม่ได้โตระยองช่วยไม่ได้อาซิมัดถุงตั้งผูกคอผูกแขนช่วยไม่ได้พวกหมอดูช่วยพวกท่านไม่ได้ด้วยครับมวลวัตัดสินให้ลงในรกแลวนะครับอัลลอฮฺว่ากันนะอุสบิลลาฮิมิंตัลิขินิคำว่าหนูอามิรุกุมเนี่ยอุลมอฮอธิบายไว้หลายข้อนะหนึ่งให้อยู่บนโลกดุนยานี่นะ มีอายุยืนยาวนี่เป็นเนื้อมัดทำไมไม่ใช่ปัญญาเรื่องที่สองให้ให้ริสกีด้วยให้เครื่องใ ห, ให้เครื่องยังชีพด้วยเรื่องที่สามให้คุณได้พกักพอนอนบนที่นอนนิ่มๆและมีแอร์เย็นๆให้ภรรยาด้วยให้นอนกอดอาไปทำไมไม่คิดถึงฉันบ้างต่อมาครับแล้วก็ให้อายุยืนยาวแล้วก็ส่งรสูลมาส่งนบีมา ให้นบีมายังไม่พอให้บรรดาอาเลมอุลมามะมาอีกอยู่ตามหมู่บ้านทั้งหลายต่อมาครับให้คุณพบกับความสุขความสบายคุณยังไม่คิดอะไรอีกหรือต่อมาเราประวิงเวลาไว้ไม่ลงโทษคุณทันทีทันใดเมื่อคุณทำผิดอันนี้สำคัญมากครับเอาลอบประวิงไว้ประวิงเวลาให้คุณได้สำนึกเห็นไหมต่อมาครับจุกระทั่งปล่อยชีวิตมาถึง อาครอเพิ่งจะขอร้องอ a l l a ฉันไม่ให้แล้วเพราะหมดเวลาแล้วคำว่าน้ามันซอลิฮันเน่งอุลมามแต่ว่าเขาสำนึกตัวไรนะน้ามันซซลิฮันขอรนละดีกุนาน้ามาลุฉันจะออกมาทำความดีนี่เป็นภาษาสำนึกตัว ภาษานี้มันต้องสํานึกก่อนตายใช่เลยไม่ใช่มันก็สํานึกตอนนี้ตอนอยู่บนดุงยาเบนี้ตอนอ่านอายานี้สํานึกตัวซะทําอะไรผิดซะสานึกตัวซะนี่สินที่มีอยู่ไปคืนเขาซะพเจรจาเขาซะสำนึกตัวซะตอนนี้ติ่เตะเมียต่อยเมียน่ะเลิกได้แล้วเอาสุนทารนาบีมาใช้จะทำไงจะไปสวรรค์อัลลอฮฺ อัลลอฮฺอักบาร ل ลฮะมดิมลาต่อมาขบยาสุดท้ายอินนัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลัลลอฮฺอัลลอัลอัลลอฮฺอัฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลัลลอฮฺอัลลอัลอัลลอฮฺอัฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลัอัลลอฮ แทกิออนา อ, าอัลลอฮ์นะอาเลมอาเลมแปลว่ารอบรู้ละเอียดยิบเลยนะกระพริบตาวันละกี่ครั้งอัลลอฮ์รู้ตาคุณจ้องมองของฮารอมกี่ครั้งหูคุณฟังเพลงเท่าไรกับฟังนินทาเท่าไร่ฟังละครเท่าไรละเอียดยิบเลยแล้วก็ฟังคุณอ่านฟังฮะดีสเนี่ยฟังอาเลมอุลมามะสอนนะเท่าไหรอ่อธิบายหมดเลยครับรอยบัสรมาวาะรอยแปลว่า สิ่งที่พลญาณมิสัยเรื่องเรททั้งหมดเรื่องลับทั้งหมดในชั้นฟ้าอาลัลลอฮ์รู้หมดเลยแล้วก็เรื่องลับทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นดินโดยเฉพาะประชากรเจพันล้านอาลัลลอฮ์รู้แต่และคนว่าคิดอะไรอยู่และบวชกี่คนไม่บวชกี่คนนำมากี่คนไม่นำมากี่คนแม้แต่ต้นไม้ใบไม้ที่ร่วงลงมาวันนี้ร่วงกี่ใบชั่วโมงนี้ร่วงกี่ใบแล้วก็เด็กเกิดกี่คนอลัลลอฮ์รู้หมดเลยครับ อินน้าูอัลีมุนแทฮจินอัลลอฮผู้ทรงรู้รอบรู้บิดาติสูดูซาตบอกว่าสูดูบอว่าหัวอกเรื่องลับๆที่เก็บไว้ในหัวใจไม่เล่าให้ใครฟังอัลลอฮก็รู้อัลลอฮฺอัล ล, ลอัดเียิตเลยนะเอ้าก่อนจะจบผมก็สงสารนะพวกเราบางคนเนี่ยกลัวริสกีจะหมด ริสกีน่มามีทางมาได้แปดทางริสกีน่มาได้แปดทางนะเราเน่เข้าใจว่ามันต้องมันต้องทำงานใช่ไหมต้องแสวงหาใช่มถึงจะได้ริสกีมาอันนั้นทางหนึ่งยังมีเจทางอีกละ่ะที่ว่าทำงานแล้วได้สตาร์นักอานมีนะวะลาตะซิรุวาซิรตุมวิศรอุครอ ว่าอะไรสัลลิลอินซานีมาสอาทำอะไรได้ไอ้นั่นไม่ทำไม่ได้เรื่องที่สองริสกีจะมาด้วยการกล่าวอิสติกฟาร์เยอะๆกล่าวว่างครับอัสตากฟิรุลลอฮคุรานอายะห์ไหนครับฟักุลตุสตากฟิรุลรับบักุลอินนหูกะนักฟารายุซิลิสซามะอัลัยคุมมิดรอรตลองไปเปิดดูสิคนนบีนว่านะ ให้ประชาชนนี้กล่าวอิสติฟา ร, ร์ดเยอะๆอาร้อนจะให้ฝนตกจะให้เงินเพิ่มจะให้ลูกเพิ่มจะให้สวนเกิดขึ้นอย่างมากมายอิสติฟา ร, รไม่ใช่หาเงินอย่างเดียวอิสติฟา ร, รก็จะทําให้เพิ่มรีสกีได้ด้วยเห็นยังครับเรื่องที่สามพี่ น, น้องครับบริจาคไอ้ของที่เรามีอยู่เล็กน้อยเน่ยบริจาคสิรีสกีมันเพิ่มเห็นยัง ตอนนี้คนไม่กล้า บ, าบาริจาคบริจาคมันก็ยุบใช่ไหมละ่ะแต่ที่ไหนได้อลัลลอฮ์เองบริจาคสิเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีให้เห็นยังครับเรื่องที่สี่ริสกีจะเพิ่มโดยการสุกกรตต่ออัลลอ์ละอินช า, าอัลลอฮ์ละอัลละอัจดานนักุมสุรุอิบรอฮิมอายาทีเจ็ดเปิดดูหากท่านสุกกรตต่ออัลลอฮ์อย่างนี้นมาดนี่ยสุกรตไปสุเยอะ ยิ่งสูบู่จิสกียิ่งเพิ่มคนที่ไม่สูบยูดเลยเป็นไงครับเราแย่ yeah, น่ะรืสกีมันก็น้อยน่ะคนเดินผ่านไม่ให้สลันอนเรืสกีมันไม่มีน่ะต้องนึกนะเอาต่อมาข้อที่หอย่าฆ่าลูกเพราะอิสกีเนี่ยเอาล็อประทานให้กับท่านตัวเองบางคนก็ไม่กล้ามีลูกยังไงล่ะมีลูกมากจะยากจนนี่พิษหมดเลยนะ่ะ เพราะว่าริสกีน่ะมากมากับลูกริสกีมากับใครมากับลูกมีอยู่อาญาม่มาลูกเยอะนะริสกีเต็มไหมครับคนที่มีลูกเยอะเนะี่ยแล้วก็ลูกมีศาสนาด้วยริสกีเต็มเลยไม่เห็นนะใช่ไหมฉะนั้นริสกีมากับลูกหนึ่งริสกีมากับการอิสติกลาสอริสกีมาด้วยการบริจาค 3ริสกีมาด้วยการชุกชุกต่ออัลลอฮฺสามริสหริสกีมาผ่านการลูกข้อที่6ริสกีผ่านนิกะคุณเอาไปไงได้ไหมอิยาคุนูฟุกรอยุกนิยาคุมุลลอหูมิมนฟอดตุลินิกะเสิ็จแต่ริสกีคุณจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นนิกะริสกีเพิ่มมีลูกริสกีเพิ่ม ชุกตุตออัลลอฮ์ริสกีเพิ่มกาอัสตัฟุรุลลอร์ริสกีเพิ่มต่อมาครับอัลลอฮ์ประกันริสกีนะสัตว์ทุกชนิดที่อยู่บนโลกใบนี้คนอัลลอฮ์มีริสกีให้มาแล้ววามินดาบัดิมฟิลออร์ดิลลาอัลลอฮีริสก์วะต่อมาครับเมื่อถึงเวลานมาเตือนลูกให้นามาริสกีจะเพิ่มไอมพี่น้องของร้นไม่ไม่ได้เตือนใครเลยนะ่ะ ทันนามาท์คนเดียวเมียก็ไม่บอกลูกก็ไม่ไม่เตือนริสกีไม่เพิ่มจากนั้นการนามาท่าเวลาใช่ไหมคุณอานอานได้ไหมว่ามุร่าละกบิสซาลาวาสตับยุอาเลยฮะละนัสอลุคาริซกอนฮานุนารุปูกะสั่งให้เตือนลูกครอบครัวของท่านให้นามาท์และคนเตือนก็ต้องนามาทให้ครบ ริสกีนั้นเราไม่ได้ขอริสกีคุณเพราะหลายคนพูดว่านมาจะไงฉันต้องไปหาซาตังเราบอกว่าริสกีฉันเป็นคนให้ไม่ใช่คุณฉันไม่ได้ขอคุณในะริสกีนะคุณนมาสิแล้วก็เตือนลูกให้นมาส ร, ริสกีฉันจะเพิ่มให้ตกลงวาริสกีมาได้ไมาได้กี่ทางนะแปดทางพูดไม่ ริสกีมาด้วยการแต่งงานสองริสกีมาเพราะมีลูกสามริสกีมาเพราะเตือนลูกให้นามาศแล้วก็ริสกีมาเพราะเราอิสติฟฟัคเยอะๆริสกีมาเพราะเราบริจาคริสกีมาเพราะเราขอบคุณอัลลอฮ์ริสกีมาเพราะเราเตือนลูกให้นมาเพราะริสกีอัลลอฮ์ให้กับทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องทาอะไรเลยริสกีมันก็มีอยู่แล้ว แต่การสแสวงหานะั้นเป็นเรื่องหน้าที่ของเราต้องสแสวงหาลิสกีมันจะแสวงหาทำงานอย่างเดียวละอีกข้อนั้นทิ้งนะไม่ได้นะอกาศต้องจ่ายทาบุญต้องทาบุญสม่ำเสมอเพิ่มลิสกีครัอบอามดเวลากับซุบแาฮฺอัลลอฮมั่วบิฮัมดิกะอัอัลลอฮอลลอัอัออล